ตอนนี้ไปเวลาเวลาไม่พอเวลาน้อยโยมไม่ย่ยมหลายวันแล้วไม่ค่อยได้พูดกันไม่ค่อยได้ถามเพราะว่าวัดประพง์มันแขกมากทั้งกังวันกัางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใครพิทยาโนุ <laughs> ยองคงคิดจยานูมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดป่าพงศสามคืนแล้วก็จะมาพักอยที่วัดป่านานาชาตินี่สามคืนอือีกสองคืนก็จะไปกันแล้วฉะนั้นจึงเือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตสาห์พยายามมาเยี่ยมเออ่วัดหนองปง่าพง แล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยแต่ก็ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุจริงของอะไรคงอยู่ปา ร, รีตคงจยะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบระลับนี้ไม่ค่อยจะมี ที่อาตมาไปสังเกตเหตุการ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดการตลอดเวลาที่อาตมาไปสังเกตเหตุการ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปา ร, รีสที่อยู่นั้นจเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างอืมเป็นกา ม, มารมมีรูปมีเสียงมีกลิน่นมีรสมีผุตตะปะสัมมรม เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัรนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปา ร, รีสเมื่อจากอาวัดหลวงปรพรงและวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะธรรมะนี้ จะแปลไปด้วยเด็เอาเลยนะี่นะเอเอาเลยมัน ไ, ไม่สะดวกนะธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกลัวว่ามันจะหมดไป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 เพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงแตเมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จัดแก้ปัญหาแล้วก็มีความพุกมีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญา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 จิตของเรานี้คนวันกาฉันนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายออที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์อืมพูดให้เห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี้เหมือนกันกบใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบ ระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดไปมันก็ขวดแปลงไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ก็มือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็ขวดแปลงไปตามอารมณ์ยิ่งทาไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยไป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 คนขาดที่พึ่งก่อเป็นทุกข์จิตนี้คือมันกันฉันนั้นถ้าว่าขาดการโอกรมโบมนิสยัยทําความเห็นในถูกต้องแล้วจิตนี้ก็รกมากฉันนั้นเฉะนั้นการกระทําให้จิตสงบระงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทํากรรมฐานกรรมฐานนี้อฐานะมันเป็นที่ตั้ง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 อารมณ์ไม่เป็นจิตจิตไม่เป็นอารมณ์ที่เราจะมาพิจารณาจิตกับอารมณ์นี้ให้เห็นชัดอยู่ในจิตของเจ้าของนี้แล้ว่ะจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ที่จอนต่อมาสองอย่างนี้มากระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกทางจิตดีบ้างชั่วบ่างร้อนบ้างเย็นบ้างสารพัดอย่าง ทนี่เมื่อเราไป ม, มีปัญญาแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ก็ทําจิตของเราให้ยุง่งการจะทําจิตให้เป็นรากฐานก็คือธรมฐานลมหายใจเข้าออกเป็นรากฐานเรียกว่าอาณาปานสติอาณาปานสตินี้คือลมรวมหายใจเข้ารวมหายใจออกอื เรียกว่าอารมณ์อนาปานสติที่นี่จะยกอารมณ์นี้เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ให้รู้จักให้รู้จักการกระทำกรรมฐานเพราะว่าอย่างอื่นมากมายหลายอย่างมันยากลำบากอารมณ์นี้ดีกว่าเพราะว่าอารมณ์นี้เป็นมงกุฎกรรมฐานตั้งแต่ขั้งลึกดาบันมาแล้วเรานั่งสมาธิ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 เจ้ของว่าบัดนี้เราจะกำหนดตามรม น, นี้ให้มีความรู้สึกอยู่แต่รมอย่างเดียวนี้แล้วก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกการกำหนดลมหายใจนั้นอย่าให้มันยาวเดียอย่าให้มันสั้นอย่าให้มันค่อยอย่าให้มันแรงให้มันพอดีพอดีสติคือความระลึกได้ จำปัสสัญญาคือความรู้ตัวอันเกิดขึ้นจากจิตนั่นแหละให้รู้อารมออกให้รู้อารมเข้าสบายไม่ต้องนึกอะไรไม่ต้องคิดไปโน้นไม่ต้องคิดไปนี่ในเวลาปัจจุบันนี้เรามีความรู้สึกว่าบัดนี้เรามีหน้าที่ที่จะกำหนดรวมเข้าออกอย่างเดียวไม่มีที่หน้าที่จะคิดไปอย่างอื่นในปัจจุบันนี้แล้วกับกำหนดรมหายใจออก แล้วก็หายใจเข้าแล้วกำหนดสติความระลึกได้ตามเข้าไปสัมปชัญญะความรู้ตัวบวับาปนี้เรามีลมหายใจอยู่เมื่อลมเข้าไปครั้งแรกต้นลมอยู่ปลายจมูกนี้กลางลมอยู่หัวไทยคือหัวใจปลายลมอยู่สะดือนี่เมื่อหายใจออกมาต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัวไทยปลายลมอยู่จมูก เมื่อลมหันใจเข้าไปต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่อทัฐัยปลายลมอยู่สะดืออย่างนี้ให้รู้สึกอย่างนี้ต้นล ม, มหนึ่งจมูกสองอัฐัยสามสะดือแล้วก็หนึ่งสะดือดสองอัฐัยสามจมูกกำหนดสามการนี้ หายความกังวลทุกอย่างไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยกาหนดตลงนั่งกําหนดเข้าไปให้รู้จักต้นดมกลางดมปลายดมต้นดมกลางดมปลายดมสมมุต <mm ิบางทีจิตใจของเรานั้นมันจะวิตกขึ้นมาอย่างอื่นคือยกเรื่องเราเรื่ต่างๆขึ้นมาเป็นตัวยกลมนี่ขึ้นมาเป็นอารมณ์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 กลายรุงอยู่ตลอดเวลาเมื่อทําไปทําไปเช่นนี้จิตมุตูตาควรแก่การงานกายก็เป็นมุตูตาควรแก่การงานคือการขบเมื่อยทั้งหลายนี่มันจะค่อยหายไปเรื่อยๆไปกายมันก็จะเบาขึ้นจิตมันก็รวมเข้ารวมหายใจกละเอียดเข้าน้อยลงน้อยลงสติคือความระลึกได้ สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี้เขาเป็นกลุ่มก้อนอยู่กับจิตนี้เองเราทำแบบนี้ไปต่อไปด้วยเรื่อยไปจนวกว่าจิตนี้มันจะสงบระงับลงเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคือจิตนี้มันจะฟักใฝ่อยู่กับลมนี้มันไม่แยกไปที่อื่นสบายไม่วุ่นวายต้นล ง, ลงก็รู้จักกลาลงลมก็รู้จักปลายลงนี่ก็รู้จัก เมื่อดูจากเช่นนี้แล้วก็กำนดนดอยู่เสมอเมื่อจิตสงบระงับแล้วเราจะรู้อยู่แต่ปลายลมต้นลมนี่ก็ได้ไม่ต้องตามลงไปเอาแต่ปลายจมูกเรามันออกเดี๋ยวก็มันเข้ามันออกมันก็ไม่ต้องตามมันลงไปก็ได้เมื่อจิตสงบระงับแล้วอันนี้เรียกว่าทำจิตของเราในจุลจิตของเราสบายสงบความสงบกบของจิตเกิดขึ้นเนี่ย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 ตั้งแต่ปลายเท้าเป็นมหาศีรษะเอาจิตที่สงบโดยพิจารณากลับไปกลับมาอยู่ด้วยให้เห็นกีสาโูมานาสาตัานตาปะจเป็นกรรมฐานนี่วะให้เห็นว่ารูปร่างกายทั้งหลายนี้มีดินแล้วมีน้ำแล้วก็มีไฟแล้วก็มีลมกลุ่มทั้งสี่กลุ่มนี้ท่านเรียกว่ากรรมฐาน เรียกว่ากรรมฐานเรียกว่าธาตุธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดมมาประชุมกันเข้าเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าจัตพระบรมศาสดาท่านสอนว่าอันนี้สักว่าจะธาตุเท่านนะั้นคือดินอวัยวะร่างกายเราเนี่สิ่งที่เคลื่อนแข็งทั้งหลายมันเป็นดินเป็นธาตุดินสิ่งที่มันเหลวไหลเวียนไปอยู่ในร่างกายเรานี่ยจะนียกว่าธาตุนะ ลมพัดขึ้นเบวงบนลงเบ้องต่ำนี้ท่านเรียกว่าธาตุลมความร้อนอบอุ่นในร่างกายทั้งหมดนี้ก็ท่านเรียกว่าธาตุไฟที่นี่คนคนหนึ่งเมื่อแยกออกแล้วก็มีสี่ประการเท่านั้นคือมีดินมีน้ำมีไฟมีลมสัตว์ไม่มีมนุษย์ไม่มีอะไรไม่มีไทยไม่มีฝรังไม่มีเขมีนไม่มี ยวนไม่มีล่าไม่มีไม่มีใครมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเท่านี้เป็นอยู่ทีนี้ยิงสมมุติว่าเป็นบุคคลเป็นสัตว์ขึ้นมาไอความจริงว่าเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้ว่าไม่มีอะไรก็ดินก็ดีน้ำก็ดีไฟก็ดีลมก็เรียกว่ามนุษย์นี้รปรกอบไปด้วอนิจจงทุกขังอนัตตา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 ใจของเรานี่กุมมันกันมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสารพัดอย่างเต็มมันจะคิดไปบางทีคิดขาดตัวตายก็ได้บางทีคิดสุขก็ได้บางทีคิดทุกข์ก็ได้สารพัดอย่างอันนี้ก็ไม่แน่นอนถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไปเชื่อจิตของเราดวงเดียวนี้มันก็โกหกเขาด้ือยไปเป็นเป็นทุกข์บังเป็นสุขบัง่งสหรบับซับซอนกันไปนี่เดีจิตนี้ มันก็เป็นของไม่แน่นอนกายนี่ก็เป็นของไม่แน่นอนรวมแล้วเป็นอนิจจังรวมแล้วเป็นทุกขังรวมแล้วเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายนี้พระบรมครูของเราท่านจึงบอกไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเรียวกว่าธาตุคือดินน้ำไฟรวมทั้นั้นเองอันนี้เรื่องการพิจารณาเอาจิตมาพิจารณามันเห็นชัดลงไปแค่แล้ว เมื่อมาเห็นชัดตรงไปแล้วอุปทานที่ถอนว่าเราสวยบ้างเรางามบ้างเราดีบ้างเราชั่วบ้างเราทุกบ้างเรามีบ้างเราอะไรอะไรบ้างหลายๆอย่างนี่มันก็ถอนไปถอนไปเห็นสภาวะอันเดียวกันเห็นมนุษย์สัตว์ทางหลายเป็นอันเดียวกันเห็นไทยเป็นอันเดียวกันกับฝรั่งเห็นฝรั่งเป็นนินเดียวกันกับไทยสารพัรอย่าง มันเป็นธาตุเท่านั้นคือเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเมืม่อจิตและเห็นเช่นนี้มันก็ถอนอุปท า, านความยึดมัน่นความถือมัน่นออกจากจิตใจของเจ้าของเมื่อพินาเห็นอนิจจังถูกขังนิจจาอะไรตัวเราก็ไม่มีสัตว์ไม่มีแล้วมันก็น่าสังเวชถอนอุปท า, านออกแล้ว อ, อนะถอนอุปท า, านออก ไม่ก็ประยุทธ์ว่าเป็นตัวว่าเป็นต้นว่าเป็นเราว่าเป็นเขาสารพัดอย่างอืมจิตใจเห็นเช่นนี้มันเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดคือเห็นว่ามันเป็ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนิันดรแล้วจิตใจเราเคยจุดจิตใจเราก็เป็นธรรมะราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดี มันก็ลดน้อยถอยลงไปทุกทีทุกทีทุกทีทกทผลสุดท้ายแต่จะทำคือจิตนี้เป็นอยู่เท่านั้นอันนี้เรียกว่าการทำกรรมฐานฉะนั้นอันนี้กิงจะขอฝากโยมเอาไปพิจิตรปิจารณาเอาไปศึกษ า, าประจําวันประจําชีวิตของโยมแม่มารับธรรมะโอวาทคําสั่งสอนไปจากมาจากวัดหนองประโง์ หรือวัฒนาชาติแล้วอันนี้เป็นมรรกถูกทอดนี่ราโยมมาคราวนี้นะ่ะพระทั้งหมดทางพระลูกชายนี่ยทางพระอาจารย์ทางหลายด้วยแล้วเขาเอาธรรมะอันนี้ฟากเอาไปพินาใจเราก็จะสบายต่อไปนี้ใจจะไม่วุ่นวายใจก็สงบสงบกายวุ่นวายก็ช่างมันใจไม่วุ่นวายเขาวุ่นวายในโลกเราไม่วุ่นวาย ถึงแม้ว่าความวุ่นวายอยู่ในเมืองนอกมากเราก็ไม่ต้องวุ่นวายพ่อจิตเราเห็นแล้วเป็นธรรมแล้วอันนี้เป็นหนทางที่ดีที่ถูกต้องมีฉะนั้นจงจำเอาไปพิริศตีเจรนา